Thank mm -hmm. you. ที่สพุทธศาสตร์ก่อนที่จะศึกษาวิธีแก้ทุกต่อไปขอเชิญแวะมาพิจารณาต้นตำรับวิธีแก้ทุกสักเล็กน้อยก่อนคือดูยี่ห้อกันก่อนจะได้รู้ว่ายาที่จะแจกให้ท่านคราวนี้ตราอะไรยี่ห้ออะไรทําให้คนไข้มั่นใจตอนต้นตำรับ กนวิธีแก้ทุกต้นตำรับกลวิธีแก้ทุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและน่าสนใจมากที่สุดในโลกคือพระพุทธศาสนาและเจ้าตำรับก็คือพระพุทธเจ้าก่อนอื่นขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาถึงฐานะและงานขนควา้าตลอดจนประสิทธิผลของท่านผู้เป็นเจ้าตำรับสักหน่อย แรกเริ่มเดิมทีจริงๆที่จะเกิดมีพระพุทธศาสนาหนึ่งจากเจ้าชายหนุ่มพระองค์หนึ่งพระนามว่าสิท ธ, ธะเป็นชาวอริยกะซึ่งเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีที่สุดในยุคนั้นคือยุคก่อน 2,500 ปีที่ล่วงมาแล้วเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดในฐานะเป็นเจ้าฟ้าชายราชทายาทแห่งราชบัลลังก์สากยะ ท่านผู้นี้ได้ทอดพระเนตรเห็นคนตกทุกข์ได้ยากคือคนแก่คนเจ็บป่วยและคนตายตลอดจนคนตกทุกข์และเดือดร้อนอื่นๆอีกเมื่อเห็นคนตกทุกข์ก็ทรงสงสารอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์และเมื่อทรงสอบถามใครๆดูก็ทรงทราบว่าชาวโลกก็ยังพากันจำนวนต่อความทุกข์อยู่ ยังไม่มีใครค้นพบวิธีชนะทุกอย่างเด็ดขาดเลยความสงสารผู้ตกทุกข์ทำให้เจ้าชายตั้งปัญหาขึ้นในพระไยว่าทำอย่างไรหนอจึงจะรู้วิธีแก้ทุกข์พูดง่ายๆคือพระองค์คุ่นคิดอยู่ในพระไถว่าทำอย่างไรจะแก้ทุกข์ได้เพื่อการคิดค้นปัญหาข้อนี้เอง พระองค์จึงละจากความสุขทางโลกีและเปลี่ยนเพศเป็นนักบวชทรงเริ่มจับงานค้นคว้าอย่างจริงจังทั้งเรียนทั้งคิดทั้งค้นเป็นเวลานานถึง6ปี6ปีเต็มเพื่อหาคำตอบปัญหาข้อเดียวที่ว่าทำอย่างไรจะแค่ทุกได้หลังจากการค้นคว้าและทดลองอย่างนักหน่วงจนถึงขั้นยอมตายแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงพบความสำเร็จที่เราพูดกันว่าตรัสรู้การตรัสรู้ของพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องอื่นนอกจากคำตอบปัญหาเรื่องวิธีแก้ทุกข์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้พระองค์ละจากประสัทราชวังและตั้งหน้าคบคิดเป็นเวลานานถึง6ปีเต็มนั่นเองตอนอริยสัจสี่ ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เรียกว่าอริยสัจมีสี่ข้อถือว่าเป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นเรื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงๆไม่ใช่ฝันไม่ใช่ผีสางเทวดามาเข้าทรงที่จะรู้ได้ว่าพระองค์ตรัสรู้จริงๆก็โดยสิ่งที่ทรงรู้นั้น เป็นคำตอบปัญหาเดิมที่ทรงสงสัยมา6ปีแล้วคือเรื่องกลวิธีแก้ทุกนั่นเองลองพิจารณาอริยสัจ4ี่ข้อนั้นดูเราจะพบข้อแปลกอยู่อย่างหนึ่งคืออริยสัจสข้อนั้นว่าด้วยเรื่องทุกทั้งนั้นโปรดดูคำบาลีอริยสัจ ต, ต่อไปนี้อริยสัจที่1ทุกขังอริยสัจจัง อริยสัจที่สองทุกขังสมุทโยอริยสัจจังอริยสัจที่สทุกขังนิโรโทรอริยสัจจังอริยสัจที่สทุกขังนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังโปรดสังเกตดูนี่แหละพระบาลีดั้งเดิม แสดงข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือธรรมจักกะปะวัฒนสูตรที่เรียกว่าอริยสัจทุกข้อว่าด้วยเรื่องทุกทั้งนั้นมีคำว่าทุกกากับไว้ตามที่แสดงไว้นั้นข้อแรกว่าทุก์มีจริงข้อที่สองว่าเหตุให้เกิดทุก์มีจริงข้อที่สามว่าความดับทุก์มีจริง ข้อที่สี่ว่าข้อปฏิบัติให้พ้นทุกข์คือวิธีแก้ทุกข์มีจริงการพบความจริงสี่อย่างนี้เป็นผลงานค้นคว้าของพระพุทธองค์โดยสมบูรณ์คือค้นพบเองจริงๆไม่มีใครจะเถียงเอาได้เลยว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่รู้เพียงแต่จำเขามาว่าซักฟอกต่อไปอีกนิดว่า อะไรที่ทำให้เราปลงใจว่าวิธีแก้ทุกข์ของพระองค์ดีจริงเป็นเรื่องที่ต้องหาหลักฐานพยานยืนยันไม่เช่นนั้นจะเป็นการที่ว่าผู้ดีว่าขี้ข้าบรอยใช้ไม่ได้และปิดวิธีของพุทธศาสนิกข้อแรกที่ผมมั่นใจคือการที่พระองค์ไม่กลับไปครองราชนั่นแหละ ถึงพระองค์จะยังไม่ได้ครองราชโดยสมบูรณ์แต่ก็เป็นราชทายาทผู้ปราศจากคู่แข่งซึ่งจะกลับไปครองเมื่อไหร่ก็ได้เพราะพระองค์ไม่ได้ถูกใครเกลียดชังจึงหนีออกบวชความสุขขณะพระราชาผู้ไม่มีคู่แข่งจะได้รับนั้นสุขมากอยู่หนึ่งในหลายๆ ล, ล้านคนจะได้พบเจ้าชายศิทธะนั้น ถ้าไม่พบความสุขที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าการครองราชแล้วต้องเสด็จกลับกบิลพั์แน่ๆการที่พระองค์ไม่เสด็จกลับไปสู่ราชบัลลังก์นั้นยืนยันได้แน่ชัดว่าวิธีแก้ทุกข์ที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นใช้ได้ดีจริงพระองค์นั่นแหละเป็นผู้พ้นทุกข์ให้เราเห็นไม่มีแม้แต่ความทุกข์ที่อยากเป็นกษัตริย์ไม่มีแม้แต่ความทุ ก, ทกข์ ท, ท, กที่อยากเป็นใหญ่เป็นโต โปรดคิดดูประการที่สองเรื่องพยานถ้าวิธีแก้ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นแก้ทุกข์ได้แต่พระองค์เดียวไม่ปรากฏว่ามีใครคนอื่นใช้ได้ผลเลยวิธีแก้ทุกข์ของพระองค์ก็จะมีค่าน้อยลงไปอีกเหมือนยาที่รักษาได้แต่โรคของหมอคนเดียวรักษาคนอื่นไม่ได้ผลแล้วจะมีอะไรน่าอาัศจรรย์ แต่วิธีแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้นคนอื่นใช้ก็ได้ผลดีด้วยพยานรุ่นแรกที่สุดคือพวกท่านพระเบญจวคีท่านทั้งห้านี้ติดตามปฏิบัติเจ้าชายศิษธะอยู่หลายปีตอนที่พระองค์กำลังค้นคว้าหาวิธีแก้ทุกข์ด้วยหวังว่าเมื่อเจ้าชายพบวิธีแก้ทุกข์แล้วคงกรุณาสอนให้บ้าง ขนาดที่เฝ้าคอยอยู่นั้นท่านทั้งห้าก็แสนจะเป็นทุกข์ทุกข์ที่รอคอยรับวิธีแก้ทุกข์ที่ไม่แน่ใจจนยางเข้าปีที่หกนความทุกข์ไม่ไหวจึงพากันแยกทางจากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไปอยู่เสียที่ป่าอิสิปตนะในฐานะผู้พลาดหวังท่านผู้ฟังโปรดคิดดูก็แล้วกันว่า ท่านทั้งห้าลงทุนเฝ้าคอยอยู่หกปีแล้วไม่ได้อะไรเลยท่านเหล่านั้นจะทุกข์มากเพียงใดเพียงแต่เราเชียร์นักมวยคนใดคนหนึ่งชั่วเวลาเจ็ดวันสิบวันแล้วนักมวยผู้นั้นชกแพ้เขาเท่านี้เราก็ทุกข์ใจแล้วครั้นมามาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิธีแก้ทุกข์แล้วนำวิธีนั้นไปสอนให้ท่านทั้งห้า ผลปรากฏว่าทุกท่านพอใจสงบเยือกเย็นมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดที่ปลีกตัวไปหาความสุขอื่นอีกแล้วสแสดงว่าวิธีแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าได้เข้าไปแก้ทุกข์ในใจของพระเบญจวครีหายได้จริงเพราะตามธรรมดาคนมีทุกข์จะต้องมีอาการกระเสือกกระสนไปหาสุขที่อื่น แต่นี่ก็เปล่าพระจักพยานอื่นๆมีอีกมากมายเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักแก้ทุกข์และตำรับวิธีแก้ทุกข์ของพระองค์วิเศษจริงข้าพเจ้าอยากจะพูดเสียเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นที่เรียกพุทธศาสนานั้นเป็นวิธีแก้ทุกข์โดยตรง เพราะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือส่วนหนึ่งของทุกขกนิโรธขามินีปฏิปทาในอริยสัจ ส, สี่นั่นเองตอนหลักการแก้ทุกข์ข้าพเจ้าได้ใช้เวลานานพอสมควรชักเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่การพิจารณาของท่านผู้ฟังเป็นการจัดฉากหรือจัดเวที ซึ่งบัตรนี้ก็เข้ารูปเรียบร้อยพอจะเริ่มการแสดงได้แล้วต่อไปนี้จะได้นำท่านผู้ฟังเข้าสู่เนื้อของกลวิธีแก้ทุกข์ตามเข้าโครงที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ในชั้นแรกนี้โปรดจำหลักปฏิบัติสข้อนี้ไว้ก่อนเหมือนวางแนวต่อสู้กับทุกข์ไว้เป็นสามแนวคือเมื่อท่านประสบกับความทุกข์ จะด้วยเหตุใดๆก็ตามจงดำเนินการเป็น3ขั้นคือขั้นที่1ต้องยอมรับว่านั่นเป็นทุกข์ข้อที่2ต้องสาวหาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นขั้นที่3ต้องแก้ไขให้ถูกวิธีหลักการนี้เป็นหลักการที่ใช้ได้ทั่วไปตั้งแต่การแก้ทุกข์เล็กๆน้อยๆ เช่นการทะเลาะกับเมียการพ่ายแพ้สอบตกพลาดรักและอื่นๆอีกจนกระทั่งทุกขนาดใหญ่คือการเจ็บการตายตลอดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์ใช้หลักเดียวกันนี้คันโุฟังอาจสงสัยว่าหลักการทั้งสามนี้ข้าพเจ้าได้มาจากไหน จึงขอเรียนให้ทราบว่าเป็นหลักแก้ทุก์ตามพุทธวิธีหรือแบบธรรมที่ว่ามาแล้วนั่นเองคือถอดออกจากอริยสัจสี4เพื่อเป็นทางปฏิบัติในอริยสัจสี4นั้นมีกิจที่เราจะต้องทำอยู่3ข้อคือข้อทุกขสมุทยัยและมรรคคือข้อทุกข์ท่านให้รู้ว่านั่นเป็นทุกข์ข้อสมุทยัย ท่านให้สาวหาเหตุให้เกิดทุกข์และข้อมรรคท่านให้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ส่วนข้อนิโรธนั้นเป็นผลของการปฏิบัติซึ่งผู้ปฏิบัติจะได้รับเองท่านจำหลักการแก้ทุกข์สามขั้นนั้นได้แล้วหรือยังถ้าจำได้แล้วจงภูมิใจและศึกษาต่อตอนขั้นที่หนึ่งยอมรับทุกข์ เมื่อท่านประสบความทุกข์ไม่ว่ามันจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรก็ตามท่านจงจำไว้ว่าขั้นแรกจริงๆเราจะต้องยอมรับทุกข์นั้นคือยอมรับว่านี้เป็นทุกข์พิจารณาให้เห็นด้วยใจจริงของตนว่ามันเป็นทุกข์จริงๆทุกข์แน่ๆเสร็จแล้วจงเพ่งศึกษารายละเอียด การเพ่งที่ว่านี้ไม่ใช่การวิตกกังวลตีโพลตีภายไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการเพ่งดูหน้าเจ้าความทุกนั้นอย่างใจเย็นแล้วสอบสวนดูรายละเอียดว่าทุกที่กาลังทับถมเราอยู่นี้มีกี่ประเด็นประเด็นหนักที่สุดมันจะเล่นงานเราถึงขนาดไหนถึงตายบาดเจ็บจำคุกถูกออกจากงาน ถูกตัดเงินเดือนเสียเงินเสียชื่อเสียงและอื่นอื่นอีกหมายความว่าเราเข้าไปจัดสรรทุกกล่องนั้นเพื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดของมันเพราะบางทีฟ้าร้องดังแต่ฝนตกจริงเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองข้าพเจ้าใครจะเน้นว่าการที่เรายอมรับทุกว่าเป็นทุกนี้สําคัญมาก คล้ายๆกับเราจะฆ่าเสือกราบใดที่เรายังเห็นเสือเป็นแมวอยู่หรือเห็นเสือเป็นวัวอยู่ก็อยากที่เราจะฆ่าเสือได้การยอมรับว่าทุกขเป็นทุกนั้นก็เท่ากับยอมรับว่าเสือเป็นเสือนั่นเองพูดมาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าคนที่ไม่ยอมรับว่าทุกเป็นทุก์จะมีหรือ จึงขอตอบเียเลยว่ามีแล้วก็มีมากเสียด้วยการที่ชาวโลกพากันจำนวนตอบความทุกข์ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ว่าเป็นเวลากี่ร้อยศตรวรรษแก้ทุกข์ไม่ตกก็เพราะเรื่องไม่ยอมรับว่าทุก์เป็นทุกข์นั่นเองเช่นเรื่องความเกิดชาวโลกไม่ยอมรับว่าความเกิดเป็นทุกข์ คงรับว่าทุกเฉพาะความแก่กับความตายแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ด้วยดังนี้เป็นต้นความทุกข์บางอย่างมันซุกอยู่ในความสุขเอาความสุขออกหน้าทำให้เราหลงว่าเป็นความสุขไปก็มียกตัวอย่างเช่นเรื่องสุ บ, บุรี่ ถ้าจะถามว่าการสูบบุหรี่เป็นความสุขหรือความทุกข์ปัญหาเพียงเท่านี้คนเราก็เห็นไม่ตรงกันคนที่ติดบุหรี่ก็เห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นความสุขการไม่มีบุหรี่สูบเป็นความทุกข์ฝ่ายคนที่ไม่ติดบุหรี่ก็เห็นตรงกันข้ามคือเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นความทุกข์ข้าพเจ้าเองเคยอยู่มาแล้วทั้งสองโลก คือโลกติดบุหรี่อย่างงอมแงมก็เคยโลกไม่สูบบุหรี่เลยก็เคยจะเล่าความรู้สึกให้ฟังข้าพเจ้าเป็นนักสูบบุหรี่อยู่ประมาณ15ปีเป็นบุคคลประเภทติดบุหรี่อย่างเต็มตัวทีเดียวและสูบได้ทุกชนิดเวลาสูบบุหรี่รู้สึกว่าสมองโปร่งโล่งใจสบายดีมาก ใจคอก็ชุ่มชื่นดีถ้าไม่มีบุหรี่สูบรู้สึกว่าทุกข์มากจะมีอาการบีบบริเวณขากรรไกรขึ้นมาถึงขมับทั้งสองข้างในตาปรือและใจคอห ง, งุดหงิดจะอ่านจะเขียนไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นจะไปไหนไปไหนก็ต้องเตรียมบุหรี่ให้พอเป็นห่วงว่าข้างหน้าเขาจะไม่มีบุหรี่ขาย ถ้าบังเอิญบุรีขาดมือลงในระหว่างทางหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้มันเป็นความทุกข์อย่างมหันที่เดียวบางทีถึงกับยอมเสียมารยาทขอคนอื่นเอาดืด้อถึงคราวเคราะหร้ายจริงๆขอไม่ได้ทั้งตัวได้แต่ก้นก็เอาข้าพเจ้าสูบบุรีได้ทุกชนิดอย่างทุกถึงเพียงนี้คนที่ติดเฉพาะเจาะ จ, จงอย่างไดอย่างหนึ่ง ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกชีวิตระหว่างติดบุหรี่เป็นอย่างนี้รวมความว่าสมัยนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นความสุขการไม่มีบุหรี่สูบเป็นความทุกข์คราวนี้อยู่มาอยู่มาข้าพเจ้าเลิกสูบบุหรี่ซึ่งเป็นการเลิกด้วยใจสมัครของตนเอง ทั้งทงที่มีฐานะพอจะหาบุรีสูบได้อยู่ขณะที่กำลังพยายามเลิกก็รู้สึกว่าต้องต่อสู้กับความทุกข์มากเหมือนกันแต่พอเลิกได้แล้วสิท่านเอ๋ยความจริงจึงได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าว่าการไม่ติดบุรีมันเป็นความสุขที่กว้างขวางมากสุขจริงๆถ้าจะเอาความสุขที่เกิดจากการสูบบุรี มาเทียบกับความสุขในการไม่สูบบุหรี่แล้วเทียบกันไม่ได้เลยมันกว้างแคบต่างกันมากความสุขในชีวิตที่เป็นาธาตุของบุหรี่นั้นเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็คิดว่ามันเป็นความสุขที่กว้างขวางพอตัวแต่พอเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วจึงมาเจอความสุขใหม่คือความสุขที่ไม่ติดบุหรี่เป็นความสุขที่กว้างขวางสดชื่นมากมาย นึกๆแล้วก็เสียหัวใจถ้าข้าพเจ้าติดบุหรี่ไปจนตายก็คงจะไม่ได้พบความสุขแห่งความเป็นอิสระจากยาเสพติดนี้เลยแต่ถ้าใครจะว่าข้าพเจ้าเกิดไม่เต็มชาติก็จะไม่เถียงสักคำเดียวเพราะว่าความสุขที่ได้จากการติดบุหรี่นั้นมีปริมาณกว้างเท่ากับก้นบ่อส่วนความสุขของคนที่ไม่ติดบุหรี่ วางขวางเหมือนพื้นแผ่นดินอย่างนั้นแหละคือมันเทียบกันไม่ได้จริงๆเพราะทางที่คนที่ติดบุหรี่จะพบความสุขมีอยู่ทางเดียวเฉพาะทางที่มีบุหรี่สูบเท่านั้นส่วนคนไม่ติดบุหรี่มีความสุขรอคอยอยู่ทุกทางมีบุหรี่ก็สุขไม่มีบุหรี่ก็สุขไม่มีแง้งไม่มีท่วมขึ้นเหนือล่องใต้สุขทั้งนั้น ที่พูดนี้ต้องขอโทษไม่ใช่อวดตัวโปรดถือว่าเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของคนคนหนึ่งสู่กันฟังและก็ไม่ใช่จะมาชวนท่านทั้งหลายเลิกสูบุรี่แต่ถ้าท่านเลิกได้ก็ดีเหมือนกันที่เล่ามานี้ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์บางอย่างมันเป็นความสุขดูยากสักหน่อยนอกจากเรื่องสูบุรี่ก็ยังมีอีกหลายอย่างเช่น การดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงคนชั่วเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์แต่คนที่ติดแล้วก็เห็นเป็นความสุขไปได้เหมือนกันอย่าว่าแต่เรื่องเท่านี้เลยกงจากแท้ๆยังมีผู้เห็นเป็นดอกบัวได้ตอนขั้นที่สองสาวหาเหตุ เมื่อท่านได้ดำเนินการขั้นที่หนึ่งคือยอมรับว่าทุก์เป็นทุกแล้วก็ดำเนินการขั้นที่สองต่อเนื่องกันไปคือสาวหาเหตุที่ทำให้ทุกนั้นเกิดหมายความว่าเราค้นย้อนหลังไปดูว่าความทุกข์ที่กำลังเล่นงานเราอยู่นั้นมันเกิดจากอะไรเพราะการแก้ทุก์ตามแบบพุทธวิธีเราจะต้องเข้าไปแก้ที่เหตุเกิดของทุกนั้น วิธีของชาวโลกเมื่อมีทุกข์อะไรขึ้นเรามักจะเข้าไปแก้ที่คนอื่นสิ่งอื่นเสมอซึ่งเป็นวิสัยของคนที่ไม่ยอมรับผิดเงินเดือนตัวไม่ขึ้นก็ไปนึกโทษว่าเจ้านายไม่ดีเจ้านายคนนี้ไม่ได้ความแล้วก็เลยคิดวิธีปรับปรุงนายหาทางย้ายนายไปไว้ที่อื่นเสียหาทางลงโทษนายเสียบ้าง แล้วแต่จะคิดไปหุงข้าวต้มแกงแล้วไม่ดับไฟให้ดีไฟเกิดลามขึ้นไม่บ้านแทนที่จะนึกโทษตัวเองว่าเป็นคนสับเพ่าแต่เปล่ากลับไปลงโทษพวกเทวดาอารักษ์บ่นว่าพระภูมิเจ้าที่ว่าพระภูมิไม่แข็งไม่เอาใจใส่คุ้มครองรักษาเล่นไพ่เล่นโปเสีย ก็ไปโทษ ด, ดาวเดือนว่าเป็นเพราะดาวนั้นมาทับดาวนี้มาเลงต้นถึงได้เสียยุบเสียยับเรื่องของคนเรามักจะเป็นเสียอย่างนี้ทุกวันนี้ว่ากันว่าศีลธรรมเสื่อมถามชาวบ้านก็ว่าเป็นเพราะพร ะ, พระทุกวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์ไม่รู้เป็นยังไงศีลธรรมเสื่อมหมดลองไปถามพระดูบ้าง พระท่านก็ว่าทุกวันนี้แย่พวกชาวบ้านไม่รู้เป็นยังไงศีลทําเสื่อมหมดเรื่องของเรื่องคือไม่มีใครยอมรับผิดผมเองก็เคยได้รับวานให้ช่วยเรื่องทำนองนี้มาแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อสักสี่ถึงห้าปีมานี้แล้วมีท่านผู้หนึ่งมาปรับทุกข์เป็นเชิงขอร้องกับผมว่าเขาเองกำลังเป็นทุกข์เกี่ยวกับเมียไม่ดี ขอให้ผมช่วยอบรมเมียให้ผมถามว่าที่ว่าเขาไม่ดีนะ่ะไม่ดีอย่างไรท่านผู้นั้นบอกว่าแกเริ่มมีนิสัยเสียมานานแล้วครับผมจะมีเมียน้อยทีไรเป็นเอาเรื่องทุกทีผมฟังเขาเล่าแล้วรู้สึกงงเป็นกำลังไม่รู้ว่านี่เราควรจะอบรมผัวหรือเมียกันแน่ ทัศนาของพระพุทธศาสนาคือว่าความทุกข์ต่างๆที่คนเราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เป็นผลที่งอกออกมาจากเหตุมีเหตุให้เกิดทุกข์ทุกจึงเกิดขึ้นฉะนั้นการแก้ทุกข์ต้องแก้ให้ถูกที่คือแก้ที่เหตุไม่ใช่แก้ที่ผลคล้ายๆกับเรามีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งเวลามันออกลูกมา มันเป็นมะม่วงเปรี้ยวกินไม่ได้เราเกลียดมันหรือเกินไม่อยากให้มันออกลูกเราจะทำอย่างไรจะเอาผ้าไปเที่ยวพันกิ่งมันไว้ไม่ให้ลูกมันออกมาได้ไหมล่ะจ้างก็ไม่สำเร็จเราเอาผ้าพันไว้มันก็ออกมาในผ้าเอาดินหุ้มไว้มันก็ออกมาในดินเพราะมันเป็นการแก้ที่ผล แล้วเราจะทำอย่างไรวิธีทาก็คือถือเอาขวาเล่นหนึ่งไปจามลงที่ขนต้นต้นมันตายแล้วลูกมันจะออกได้ก็เชิญวิธีแก้ทุกข์ก็เหมือนกันอย่าลืมว่าเราต้องแก้ที่เหตุคนเราเวลาถูกความทุกข์เข้าครอบงามักจะงงเสียก่อนรู้สึกว่าความทุกข์มันมืดมาทั้ง8ด้าน เลยฆ่าตัวตายเสียก่อนก็มีเพราะตัดสินใจว่าแก้ไม่ไหวแล้วความจริงทุกที่เราเห็นนั้นมันเป็นใบทุกดอกทุกเสียทั้งนั้นถ้าเราสาวเข้าไปให้ถึงต้นตอของมันจริงจริงก็ไม่เท่าไหร่คล้ายๆกับเราเห็นเถาบรเพชขึ้นมาคลุมหลังคาบ้านมองขึ้นไปบนหลังคาเห็นแต่ใบเพชรเต็มไปหมดเกือบจะมองไม่เห็นบ้าน เราก็ยืนถอนหายใจคิดแต่ว่าแย่แล้วไม่มีทางนักเข้าก็เลยคิดหาทางจะทิ้งบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นทีนี้เอาใหม่ลองสาวตามไปดูสิว่าใบบรเพชเหล่านั้นมันเกิดมาจากไหนพรั้นสาวไปสาวไปเราก็จะพบว่ามันเกิดมาจากเถาเล็กๆขนาดเท่านิ้วมือเห็นจะได้ พอเห็นเถาเท่านั้นเราก็ยิ้มออกแล้วพุทโธนึกว่าจะต้องถึงกับขอทหารยกทัพมาช่วยที่แท้มีดพับเล่มเดียวเฉือนบั่นเข้าที่โคนมันเสร็จแล้วเจ้าพวกที่ขึ้นไปคลุมอยู่บนหลังคาบ้านก็จะร่วงหล่นหมดสิ้นไปเองการสาวเข้าไปให้ถึงต้นเหตุจะทำให้เราพบทางสำเร็จอย่างประหลาดทีเดียว และความจริงทุกที่ไปเที่ยวเล่นงานชาวบ้านเราอยู่ทั่วไปก็มีลักษณะเหมือนเถาบประเพทที่ว่ามาแล้วต้นเหตุของมันจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองบางทีประตูหางเดียวทำให้เราตึงกับเมียอยู่ตั้งสวันสามคืนเข็มหมุดเล่มเดียวทำให้เรากับเพื่อนกลายเป็นอริ ก, กันโปรดคิดดูเอง ข้าพเจ้าได้ทดลองสาวเข้าไปดูต้นเหตุของความทุกข์เกี่ยวกับการหย่าร้างของผัวเมียหลายคู่ที่รู้จักคุ้นเคยผลที่สุดได้พบว่าความสุขในชีวิตสมรสของเขาเหล่านั้นต้องพังทลายลงด้วยมูลเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่าเสียดายจริงๆตัวอย่างเช่นคู่ที่หนึ่งเมียเดินไปเหยียบดินสอลูกหัก ดินสอก็เป็นดินสอหินสําหรับเขียนกระดานชนวนธรรมดานี่แหละสมัยนั้นจําได้ว่าแท่งละหนึ่งสตางค์เท่านั้นครั้นเมียเหยียบหักแล้วข้างผัวก็ว่าทําไมเหยียบดินสอลูกหกักเมียก็บอกว่าไม่เห็นผัวก็ย้อนว่าไม่เห็นทําไมเหยียบถูกครั้นเมียถูกรุกก็เบี่ยงออกว่าดินสอแท่งละสะตางค์สองสตางค์ พูดรับรอยู่ได้โดนหมัดนี้เข้าข้างผัวก็ฉุนกึกขึ้นมาซอกกลับไปอีกว่าแน่เลยสิไอสตางสองสตางนะ่ะใครเป็นคนหาเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาเดี๋ยวนี้วิมานทลายไปแล้วคู่ที่สองส้มเขียวหวานเป็นเหตุนังสือพิมพ์ลงข่าวหลายปีมาแล้วใจความก็ว่า ผัวหนุ่มเมียสาวพากันไปเที่ยวแล้วก็แวะซื้อส้มจากแมค้าเรื่องนี้ข้าพเจ้าจำรายละเอียดไม่ค่อยได้เพราะนานแล้วแต่ใจความก็ว่าแม่ค้าส้มคนนี้แกยังสาวยังไม่แก่ทีนี้ราคาสม้มแกบอกว่า2ผลหาสตางค์ฝ่ายเมียก็ต่อเป็น3ผลหหรือ5ผล10อะไรอย่างนี้แหละ ต่อกันไปต่อกันมาตามนิสัยของผู้หญิงฝ่ายผัวก็ยืนรอคอยและรำคาญงุนงงตามเรื่องของผู้ชายหนักเข้าก็หลุดปากออกไปว่าโธ่อดไม่กี่สตางค์ให้เขาไปเธอแล้วพร้อมกันนั้นฝ่ายพระเอกก็ควักสตางค์ส่งให้แม่ค้าแล้วรับเอาส้มมาเท่านั้นแหละสถานการณ์ฝ่ายนางเอก ก็ตึงเครียดขึ้นอย่างกระทันหันกว่าจะกลับถึงบ้านเหตุการณ์ก็คับขันเต็มทีฝ่ายผัวก็ชี้แจงว่าราคาผิดกันไม่กี่สตางค์เห็นเสียเวลาเลยควักให้แก่ไปฝ่ายเมียก็ประท้วงว่าแน่ละสิมันจะกี่สตางค์ล่ะแม้ค้าตาหวานออกอย่างนั้นพผลที่สุดก็วิมานพังไปอีกคู่หนึ่ง รายอื่นๆยังมีอีกแยะนี่เล่าพอเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่เล่นงานผัวเมียสองคู่นี้ก็มาจากต้นเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองรายแรกหนึ่งชตางรายหลังก็สองถึงสมตางเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเรื่องทุกนี้ข้าพเจ้าจะบรรยายพิสดารอีกครั้งในตอนหน้า สำหรับตอนนี้โปรดทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าการแก้ทุกนั้นท่านจาเป็นจะต้องดำเนินการขั้นที่สองนี้คือสาวเข้าไปใหถึงต้นเหตุของทุกนั้นและจุดที่เราจะเพ่งเลงในการค้นหาต้นเหตุของทุกก็คือตัวเราเองพอเกิดทุกข์ขึ้นจงมองเข้าหาตัวเองแทนที่จะคิดสายไปที่อื่นอย่าลืมว่า ต้นเพลิงย่อมเกิดขึ้นในที่เพลิงไหม้นั่นเองเพียงแต่ท่านพบต้นเหตุของมันเท่านั้นท่านก็จะรู้สึกว่าท่านได้ชนะทุกขนั้นไปแล้วถึง 50% อร์เซนต์ตอนขั้นที่3แก้ให้ถูกวิธีเมื่อท่านได้ดำเนินการตามแผนถึงสองขั้นแล้วบัดนี้ก็ถึงขั้นที่3เป็นขั้นสำคัญ และเป็นขั้นสุดท้ายที่ท่านจะบดขยี้ความทุกข์นั้นเสียเหมือนอย่างว่าท่านได้ลาดตระเวนสำรวจที่ตั้งของฆ่าศึกเป็นที่แน่ชัดแล้วงานต่อไปก็คือการวินิจฉัยว่าท่านควรจะทำลายฆ่าศึกด้วยอาวุธชนิดใดปืนสั้นปืนใหญ่ปืนยาวลูกระเบิดเพื่อประดิษ์ศึกให้รวดเร็วและได้ผลแน่นอน ข้าพเจ้าหมายถึงว่าการจะต้องลงมือแก้ที่เหตุแห่งความทุกนั้นแต่การแก้จะต้องเลือกทำให้ถูกวิธีทุกจึงจะหายถ้าแก้ผิดวิธีมันทุกไม่หายเช่นเล่นการพ น, นันแก้จนกินเหล้าแก้กลุ่มหรือด่าแก้กโกรธอะไรเหล่านี้ไม่มีทางที่จะทำให้ทุก์หมดสิ้นไปเพราะเราแก้ผิดวิธี ผลกลับจะปรากฏว่ายิ่งเล่นการพ น, นันมันก็ยิ่งจนยิ่งดื่มเหล้ามันก็ยิ่งกลุ้มยิ่งด่าเขาใจเราก็ยิ่งเดือดดาลกลายเป็นเรื่องเพิ่มทุกข์ให้มันหนักขึ้นไปอีกความจริงพฤติการดังกล่าวไม่เป็นการทําลายล้างความทุกข์ให้หมดสิ้นไปเป็นเพียงการเลื่อนทุกข์คือเลื่อนออกจากตรงนี้ไปไว้ตรงโน้นเท่านั้นเอง ตัวอย่างเช่นเราเป็นหนี้อยู่กับคนนี้แล้ไปยืมเงินคนนั้นมาใช้คนนี้ต่อไปก็ไปยืมเงินคนโน้นมาใช้คนนั้นวิธีนี้ไม่ใช่ทําให้หนี้หมดใช่หรือไม่เพราะความจริงมันเป็นเพียงการเคลื่อนหนี้จากคนนี้ให้ไปอยู่กับคนนั้นและจากคนนั้นไปสู่คนโน้นเท่านั้นเองสิ่งที่ควรจะได้ใส่ใจไว้อีกอย่าง ก็คือการแก้ทุกข์ด้วยวิธีทาความชั่วเช่นการขโมยเขามาแก้จนหรือฆ่าเขาเพื่อแก้โกรธตามที่ว่านั้นเป็นการกระทำที่ผิดวิธีอย่างยิ่งเพราะความชั่วร้ายต่างๆนั้นยอมเป็นเชื้อแห่งความทุกข์อยู่ในตัวมันแล้วแม้คนที่ไม่มีความทุกข์อยู่ก่อนเลยคือคนที่มีจิตใจสบายๆอย่างเราๆนี่แหละ ถ้าไปทําความชั่วเข้ามันก็ถูกทีนี้คนที่มีทุกข์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังแถมไปทําความชั่วเข้าอีกผลก็จะกลายเป็นว่าต้องโดนทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นสองขั้นสามขั้นการทําความชั่วแก้ความทุกข์นั้นขระพเจ้าเคยปเปรียบว่าเหมือนเราเอาขี้หมามาเช็ดขี้ไก่ คือเราจะนั่งตรงนี้แต่มันเปื้อนขี้ไก่เราเกลียขี้ไก่จึงคว้าขี้หมามาเช็ดขี้ไก่ออกขี้ไก่มันหายไปแต่แล้วขี้หมาก็มาเปื้อนแทนวิธีที่จะแก้ทุกขโดยถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาแยกแยะออกไปว่าทุกชนิดไหนควรจะแก้ด้วยวิธีใดหมายความว่า จะต้องวางยางให้ถูกกับอาการของโรคแต่ข้าพเจ้าใกล้จะพูดรวบยอดไว้ในตอนนี้ก่อนว่าทุกทุกอย่างต้องใช้ความดีแก้จึงจะได้ผลไม่มีทุกข์ใดเลยที่แก้ให้หายด้วยความชั่วความเลวตอนต่อไปข้าพเจ้าจะได้เสนอวิธีแก้ทุกข์ในลักษณะต่างๆเพื่อเป็นทางปฏิบัติ และใครจะขอเรียนไว้ด้วยว่าเมื่อท่านได้ฟังไปแล้วขอให้ทดลองปฏิบัติตามไปด้วยเพื่อเป็นการพิสูจน์ไปในตัวว่าวิธีที่ข้าพเจ้านำมาเสนอนี้จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่เพียงใดและถ้าการแสดงตอนใดไม่ชัดแจ้งพอหรือทำดูแล้วรู้สึกว่าติดขัดไม่ได้ผลก็ถามได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นซึ่งกันและกัน